วันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนห้าดับเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระเดือนดับเดือนห้าดับและเป็นวันที่ยุ่งยากทางวัดวันนี้ไม่ยุ่งก็ไม่ได้ทางพระทางคณะอยากยม ก็มาเกี่ยวข้องอยากโยมพี่น้องประชาชนพระสงฆ์ก็มาจากสถานที่ต่างๆในเมื่อมาถึงพวกเราแล้วพวกเราเป็นเจ้าของบ้านจะทิ้งเฉยนอนใจไม่ดูแลก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นจึงได้ต้อนรับขับสู่กันเริ่มมาตั้งหลายวัน เพิ่งมาจบวันนี้พอจบแล้วจะนี้ก็เบาแล้วทะนี่เหมือนกับฟ้าฝนคึก ข, ขนองมาแล้วก็ตกลงแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่องานผ่านไปก็ให้มันผ่านไปอ ย, าาอยาาปงง่านํามาคิดอย่านํามาปงฟงสั่น เล้มันไปให้มันจบไปจบเป็นนานๆไปพยายามอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมออย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้คิดอยู่ในปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนพระภิกษุให้พิจารณาเนือง ภิกษุพึ่งพิจารณาเนืองเนืองภิกษุสัมมเอ็นพึ่งพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะให้ข้าว่าไม่ให้ลืมตัววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าว่าพวกเราถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่ การที่ทําของเรามีประโยชน์มีคุณค่ามีสาระไหมในการคิดในการพูดในการกระทําของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานีน้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพันไม่ให้เสียเวลาในการคิดการพูดการกระทําเพราะฉะนั้น ท่านจึงให้เตือนตนเองอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่เนี่ยราะนั้นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมันผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังไม่ถึงมันก็ยังไม่มาถึงอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วอย่างมากก็เก็บมาเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราที่ว่าในอนาคตเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกเราจะไม่ ทำอย่างนั้นอีกเราจะไม่พูดอย่างนั้นอีกเราจะไม่คิดอย่างนั้นอีกหรือเราที่ทํามาในถูกต้องแล้วต่อไปภายภาคหน้าเราก็ควรจะทําอย่างที่ผ่านมานี้อกีกเพียงจะเป็นบทเรียนสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายอดีตอนาคตแต่ปัจจุบันของเราในมีคุณค่ามีประโยชน์สาหรับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่มันจะไปเป็น อดีตได้ก็ัออกไปในปัจจุบันก่อนที่มันจะไปถึงอนาคตได้มันก็ออกไปจากปัจจุบันนี้เหมือนกันเพราะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้เวลานี้พวกเราควรจะทำอะไรหน้าที่ของพวกเราขาดเหลือขาดตกสิ่งไหนบ้างควรจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนให้ดีขึ้นคือเริ่มปัจจุบัน วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้มองปัจจุบันปัจจุบันณจิตปัจจุบันนธรรมปัจจุบันในการกระทําปัจจุบันในคําพูดถ้างว่าพวกเราทําได้อยู่อย่างนี้หรือหรือพยายามทําอยู่อย่างนี้อยู่เสมออันนั้นแปลว่าผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทนอนใจไม่ลืมตัวไม่หลงลืม ในการเป็นอยู่ของตนเองพยายามเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าเตือนเรื่องชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่เตือนอย่างอื่นพวกเราเนี่ยชล่าลืมตัวนอนใจในชีวิตทั้งที่ชีวิตนี้ไม่น่าไว้ใจไม่น่านอนใจไม่น่า ให้ความสนิทสนมหรือวางใจเพราะว่าชีวิตนี้มันหลั่งไหลไปอยู่เสมอไหลไปทางหน้าอยู่เสมออีกสั่ววันหนึ่งก็หายไปหายไปทีละคนสองคนคนสองคนผลที่สุดก็มาเจอตัวของเราเองผลที่สุด ต, ตัวของเราเองก็จะต้องแตกสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครแพ้ใคร ไม่มีใครชนะใครเสมอกันหมดเกิดมาในพื้นปฏิพีแผ่นดินนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าทนงตนอย่าโอหังให้ใหพิจารณาอยู่เส ม, มอว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเรา จะพยายามสั่งสมคุณงามความดีเราจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมั่นในศีลอาชารวัดการเป็นอยู่ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเอาไว้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไปอยู่เสมออย่าประมาทพระพุทธเจ้าสอนไม่อยู่เสมอว่าประมาทเป็นคนํานี้คือความนอนใจ ความตายใจความไม่คิดไม่อ่านเนี่ยประมาทความว่าประมาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าปลามาทคนอื่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นฮะไม่ใช่อย่างนั้นประมาทในชีวิตของตนเองกับว่าชรานอนใจไม่ได้คิดไม่ได้อ่านในจุดที่มันจะเป็นไปพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอสังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไว้อยู่เสมอ ปุนกุศลมีอยู่ในจิตในใจแล้วเราคิดขึ้นมาเวลาใดจะไปที่ไหนอย่างไรเราก็สบาย อ, อกสบายใจเพราะเรามีทุนอยู่ในจิตใจเพราะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีนั้นมีหลายมีหลายระดับมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานศีลมีภาวนา เพราะนั้นเราจะเอาระดับไหนแต่ตามไม่จริงควรจะเอาทุกระดับนั่นแหละทานอย่างนี้เราก็ควรจะมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อพระพุทธศาสนาคนที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีทานรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาของเราไม่ให้มีโทษไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นไม่ให้เดือดร้อนตนเองไม่ให้เดือดร้อนกับใครๆทั้งหมดสำรวมระวังกายวาจาของตนเอง สมาธิทำจิตให้มั่นคงจิตไม่สายแสจิตไม่โมโหโธสันจิตนิ่งสงบรู้เท่ารู้ทันในการคิดคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์จะไม่คิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในเมื่อเราคิดดีแล้วกายวาจาของเราก็ออกไปจากใจที่คิดดีแล้วนี่แหละ แต่ถ้าว่าใจของเราขาดสติคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบไม่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ละเวลาบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องกับคิดอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้ว่าคิดไปเพื่ออะไรแต่พอมาสำานกจำเลียกได้เราคิดไปเพื่ออะไรเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วย่ะว่าเราคิดเรื่องอะไรทำไมเราไปคิดให้งโงท่ทำไม ถ้าเราจำเหนียกจำนึกระหว่าเราคิดได้อย่างนั้นก็นับว่าเป็นผู้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ว่าเราคิดไม่ถูกแล้วเราคิดถูกสัมปัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าว่าเราคิดอะไรที่ผ่านมาหรือขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรมันถูกต้องเป็นธรรมควรจะคิดไหมถ้าเรามีสติมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าไม่มีสติแล้วก็ยางว่านะ ไม่รู้คิดเรื่องอะไรเออเลยเหยลอยลมไปเรื่อยเรื่อยเปืป่อยไปเรื่อยบางทีเมื่อลอยไปพอดีเข้ามาแเขาสะดุ้งเหยื่อเพราะว่าตัวเองมันขาดส ต, ติมันลอยสติมันลอยใจมันลอยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้เป็นอย่างนั้นไปวัดเตรียมพร้อมอยู่เสมอสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละนักจังหวะนักปฏิบัตินักภาวนามานักฝึกฝน จิตใจนะแต่พยายามถึงมันจะมีไปบ้างแต่ก็พยายามพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราสอนพระสงฆ์ไม่ได้สอนในระดับเดียวกันถ้าเป็นท่านผู้ใดเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องสอนถึงจะสอนหรือไม่สอนท่านก็รู้อยู่แล้วรู้นาทีของท่านแต่ปุตชนพระปุตชนทั้งหลาย จะต้องสอนจะต้องบอกจะต้องกล่าวจะต้องแนะนำจะต้องทำขั้นตอนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าผู้เขามาบวชแล้วจะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเขามาบวชแล้วก็เกิดศรัทธาปลูกศรัทธาให้เชื่อพอมีศรัทธาขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละแอเข้าไปสดับตรับฟังทำคำสั่งสอนในเมื่อสดับตรับฟังแล้ว ก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราคือเวลานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นตน้นในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วที่แรกก็เกิดศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาว่าเชื่อว่าพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลน่านับถือน่าเชื่อถือฟังแล้วมีเหตุมีผลเมื่อเราเชื่อศรัท ธ, ธาเชื่อแล้ว จากนั้นเราก็เข้าไปใกล้เพื่อไปศึกษาในเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วนำมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วจะต้องเห็นผลต้องทนต่อการพิสูจน์ได้พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทนต่อการพิสูจน์เราพิสูจน์เข้าไปเลยเราจะรู้จริงเห็นจริงตามขั้นตอนของธรรมนั้นๆ เรื่องสินเราวิเคราะห์ดูแล้วก็มีเหตุผลในระดับของศินในเรื่องทานเราวิเคราะห์ดูแล้วก็มีเหตุผลในเรื่องการทําทานทําไมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทานถ้าเราวิเคราะห์ออกมาให้ละเอียดเราจะรู้ผลว่าการทําทานนั้นมีคุณค่าอย่างไรการรักษาศินมีคุณค่าอย่างไรการปฏิบัติจิตภาวนามีคุณค่าอย่างไรจะมีขั้นตอนในการ วิเคราะห์ในธรรมแต่ละขั้นเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเราทา่ทานทั้งหลายเรื่องทานเรื่องศิ่ก็เป็นพอเป็นมาแต่เรื่องสมาธิจิตภาวนาเนี่นะอยากจะให้พวกเราเน้นหนักจุดนี้ให้มากๆสําหรับพวกเราทั้งหลายถึงจะเป็นคราว่าต์ญาติโยมก็เถอะแล้วว่าเป็นผู้อยู่แถวหน้าแล้ว ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่แถวหน้าของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอย่างเป็นพระภิกษุสงฆ์นะไม่ต้องว่าพระภิกษุสงฆ์ไปว่าอยู่วงในอยู่แนวแถวข้างในเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นเสียสละทางโลกออกมาแล้วทางโลกเขามีความสุขสนุกสบายในด้านวัตถุต่างๆแต่เราพวกเราเป็นพระตัดออกมาแล้วเป็นชั่เนรตัดออกมาแล้ว ไม่ยึดไม่เกาะติดกับสิ่งความสุขภายนอกแล้วเราไม่ได้ทานอาหารในเวลาวิการข่าแรงแกงร้อนอาหารอริดอร่อยยังไงก็ตามเราก็ตัดออกไปแล้วเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนการสนุกสนานเพลิดเพลินฟังร้องรทำทําเพลงพูดตามมัธยาใจคิดตามมัธยาใจทําตามอัธยาใจเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องทํา เราต้องคิดตามแนวของพระพุทธเจ้าให้คิดให้พระคิดยังไงให้สมณีนคิดยังไงอุบาสกอุบาสิกาผู้นำหน้านะคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนแนวความคิดจากนั้นก็สอนวิธีการกระทํากระทําอย่างไรไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดจะพูดอย่างไรไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนไม่กระทบกระเทือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย ที่อยู่แนวหน้าอยู่แนวแถวหน้าจะต้องไตรตรองจะต้องดูตรวจตราการกระทำการคิดการพูดของตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเน้นหนักให้พวกเราท่านทั้งหลายเกับเรื่องภาวนาภาวนาจะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบเป็นหนึ่งได้เนี่ยหรือถึงจะไม่เป็นหนึ่งก็ให้อยู่ในกรอบ สติคิดเรื่องอะไรขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรถึงจะจิตมันจะออกไปอยู่ข้างนอกจิตมันจะปรุงออกไปอยู่ฟุ้งไปอยู่แต่ให้มีสติว่าขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรในเมื่อเรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแล้วจากนั้นเราก็คิดในเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้คิดครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้คิด อย่างไรทํานองอะไรเรื่องอะไรอ่าอะไนที่ผูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้พวกเราคิดอันนี้พวกเราก็นนำมาคิดตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้เมื่อจิตเข้าสู่ความสุขนำมาคิดคิดเรื่องการเป็นอยู่ของเราคิดเรื่องร่างกายของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้า พระหันสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านสอนว่าพวกเราทั้งหลายนี่หลงกายหลงกายตัวเองว่ากายนี้เป็นของเสร็จสวยงดงามว่ากายนี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แกพวกเราเราเลยหลงกายแต่ว่ากายนี่มันเป็นตามธรรมชาติของมันมันอยู่อย่างนี้ มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เขาบอมันแก่แต่ตามไม่จริงเราไม่อยากจะว่ามันแก่เขาควรว่าร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว เ, เขากลว่าลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงมันแก่มันเริ่มแก่มาเรื่อยๆออจากนั้นก็ท่านสอนให้คิดว่าร่างกายนี้ถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดีขนาดไหน ปนปือดีขนาดไหนอาหารการบริโภคจะตกแต่งดีขนาดไหนให้ได้ฟังเสียงพอนรำขับร้องขับกล่อมดีขนาดไหนพูดร้องเพลงอย่างไรแต่ร่างกายอันนี้มันก็แก่ไปหน้าอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องแตก สู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเราเท่านั้นเองแนะทีนี้เราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร่างกายอันนี้แต่ตามไม่ยิงร่างกายอันนี้มันไม่ใช่มันจากมันก็เป็นตามสภาพของมันแต่ใจของเราไปคิดไปให้ความสำคัญมันมันก็เลยใจของเราเลยเป็นทุกข์แต่ตามไม่จริงมันก็ไหลาตามสภาพเหมือนกับน้าไหลลงมาจากภูเขา หุ่ยหนองคลองมันก็ไหลสู่น้ํามหาสมุทรทะเลอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไหลแก่เข้าไปจนถึงจุดจบคือมรณะภัยคือความตายอันนี้คือร่างกายของมนุษย์ชาติของพวกเราไม่ว่าอยู่ชาติชั้นบรรณะไหนไม่ว่าอยากจนร่ํำรวยยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่ง ขนาดไหนแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันจะต้องไหลไปสู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้คิดอย่างนี้นว่าร่างกายนีย่ไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายนีย่อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายร่างกายนี่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำลมไฟจะต้องแยกกันอีกสักวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสยัย คือให้พิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอให้มีสติอยู่อย่างนี้เสมออันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราแล้วเราจะไม่หลงอย่างอื่นเราจะไม่หลงกายคนอื่นเราจะไม่หลงทรัพย์สมบัติเราจะไม่หลงการเป็นอยู่เราจะไม่หลงจดถามบรรดาศักดิ์ข้าทาสบริวานหมู่พวกเพื่อนพี่น้องวงศาราณาญาติเราจะไม่หลงเท่านั้น แต่เราก็ไม่ได้ปราหมาทเราก็ไม่ได้ดูถูกเกียดตยามในเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็ทำสิ่งไหนที่ทาควรจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะพอเหมาะพอเหมาะพอดีไม่เกินไปถูกต้องเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านั้นที่เราวางตัวกับสิ่งเหล่านั้นพราะเรารู้แก่ใจของเราดูแก่ตัวของเราว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้อง จำใจจากอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องรู้การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทำยังไงจึงจะพอเหมา ะ, อะพอเหมาะพอดีไม่เกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่กระทบเขาจนเกินไปไม่ด้อยของเขาจนเกินไปมันจะรู้จักความพอดีถ้ารู้จักตัวเองแล้ว สรุปแล้วก็คือรู้จักเขารู้จักเราเรานะั้นเป็นยังไงต่อไปกับเขาคือร่างกายหรือส่วนอื่นที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างไรถ้ารู้จักเราแล้วก็รู้จักเขาจากนั้น เ, เราจะวางตัวในทางที่ถูกต้องเหมาะสมในสิ่งเหล่านั้นนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมดูกายวาจาใจของตน จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูนะดูใจของเรานะดูกายของเรานะการปฏิบัติธรรมไม่มีอื่นไกลเรามีอยู่2องเทนั้นเองรูปประธรรมกับนามธรรมรูปประธรรมนะั่นคืออะไรก็ ค, คือร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นนามธรรมนะั่นคืออะไรก็ ค, คือใจนะั่นแหะใจของเราเนี่ยมันหลงร่างกายสรุปแล้วมันหลงร่างกายเพราะร่างกายมันถือว่า ร่างกายเนี่ยมันออกมาจากท้องแม่เขาไปปฏิสนธิไปยึดอยู่ในท้องแม่ออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็นมายึดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเหมือนกับขับรถคันนี้อยู่ตลอดเวลาใช้อยู่ตลอดเวล า, เาจะให้พูดให้ทารรให้ขับเคลื่อนอะไรก็ตามร่างกายนี่ก็าพยายามประคับประ ค, คองหาหยุกหายาดูแลรักษาอะไรทุกอย่าง จนเป็นเแค่ว่ากายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจเป็นอันไดกายเป็นนั้นกายเป็นอะไใจเป็นนั้นมันยึดติดถึงขนาดนั้นแต่อีกสักวันหนึ่งท่นี่ร่างกายของมันก็ไหลไปสู่สภาพอย่างที่ว่านั่นน่ะจะต้องแตกสลายเพราะถึงจุดจบของมันมันก็จะต้องแตกท่นี่ใจของเราไม่อยากจะให้มันแตกท่านี่เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนออทุกข์อย่างหนักหนักไม่มีอะไรที่จะรักริงกว่าชีวิตของตนเอง แต่ถึงจะทำอย่างไงได้ล่ะมันต้อเป็นตามสภาพของมันอย่างนั้นเพราะนั้นแหะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้ดูให้ดูกายให้ดูใจใจอย่าไปหลงเขานะเอ่มันร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นแต่ว่ามันยากนะที่พูดแต่มันพูดง่ายแต่ว่ามันยากแต่ถึงจะยากอย่างไงก็ตามแต่ทางเดินของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องไปอย่างนั้นจะต้องเดินอย่างนั้น ไม่มีอย่างอื่น อ, อบางคนเกิเมื่อพูดไปแล้วแต่มาเจอเข้าของจริงเข้าจริงๆเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าการพูดและของจริงมันคนละอย่างกันนะมันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวเอ อ, อย่างทุกขเวทนาเราพูดเราพิจารณาได้แต่พอมาเจอเบทนาตัวจริงเข้าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอ หึงอยังไงยังไงก็เถอะเราต้องรู้เอาไว้ว่ามันจะต้องเกิดกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่มากก็ต้องน้อยแหละก่อนที่จะตายอย่างน้อยก็ต้องหายใจไม่ออกหายใจฝืดแล้ว่างั้นเอบางทีก็หายใจไม่เข้าทุรักทุทนทุลนทุลายแล้วว่างั้นเถอมันจะต้องมีเวธนาตัวหนึ่งที่มันจะมาทําให้เราใจขาดไปเราตายไปนะเพราะนั้นให้ดู ดูกายดูใจจากนั้นเราต้องดูใจคนตนเองถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องดูใจของเราทันทีเลยถ้าว่าใจจะขาดแล้วเหลือข่าวนี่ร่างกายมันจะแตกไปเลยแล้วจะจากเราแล้วเหลือเนี่ยเราก็ดูใจของเราใจของเราหวั่นไหวไหมใจของเราทุกข์กำมันไหมในเมื่อร่างกายจะแตกเนี่ยให้ดูใจทำใจให้เป็นกลางทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบทาใจให ไม่ให้กวนกระวายไม่ให้ทุรนทุลายถ้าจิตใจของเราเป็นหนึ่งนิ่งนะใจขาดในขณะนั้นอ่ะไปพรหมเลยวงั้นเถอะอไปเกิดเป็นพรหมเลย เ, เกิดญาณทัศนะขึ้นมาเลยจิตใจไม่ทุกไม่ร้อนเพราะว่าการภาวนาเนี่ยตายแล้วไปสู่พรหมนะถ้าอันนิสงทานอันนิสงสินเนี่ยไปสู่สวรรค์อไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง จนถึงสวรรค์สั้นสูงสุดเนี่ยโดยอเ น, นิสงทานสินแต่อเ น, นิสงภวนาเนี่ยถ้าว่าเราพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยเกิดญาณทัศนาเนี่ยโดยมากเป็นพรหมอายุยืนนานจนนับไปถ้วนมีมากต่อมากไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้นที่ไปสู่พรหมได้หรือสีสีพัยที่ท่านปฏิบัติก่อนพุทธศาสนาหรือในพุทธศาสนาของเราหรือก่อน หน้าพุทธศาสนาของเราอุบัติขึ้นในโลกหรือสีชีภายนี่ท่านอยู่ในป่าท่านเพ่งกระสินด้วยวท่านทำสมาธิจิตใจของท่านสงบท่านไปเกิดเป็นพรหมมากต่อมากบางพรหมหนึ่งจนนับคราณาหาประมาณไม่ได้ว่าข้าเนี่เกิดมานานเท่าไหร่อายุพรหมเนยืนถึงขนาดนั้นหล ะ, ะเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติแต่ว่า เราต้องการไหมที่จะไปพรมอย่างนั้นก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ดีกว่าตกนรกว่างั้นเถอะดีกว่าตกนรกไปอยู่เป็นพรมก็ยังดีออกจากพรมมาก็มาสั่งสมบารมีอีกถ้าเป็นไปได้ก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละอแดนบรร ม, มัสุขจบการเพียงเท่านั้นแต่ถึงยังไงทางว่าไปเป็นพรมแล้วก็ลงมาจะมาเกิดอีกเพ้อเพยยังมาเกิด เป็นสัตว์ทิละฉานก็มีอย่างที่นางสุกรที่หลวงพ่อเคยเล่าในธรรมประทัดทักถาให้ฟังนั่นอ่ะไปเกิดเป็นผอมแล้วลงมายังเกิดเป็นหมูเพราะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราควรจ ะ, ะพยายามบำเพ็ญให้จริงจังดูกายดูใจของเราใจของเรามีอะไรบ้าง มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในเนี้ยอยู่ในใจของเราเนี่ยเราสังเกตดูให้ดีถ้าเรามีสมาธิดีสติของเราดีเนี่ยมหาสติมหาปัญญาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านพูดนะมหาสติมหาปัญญาคือเป็นปัญญามหาสติคือสติที่ไม่เผลอปัญญานี่ยคือปัญญาปัญญาที่แหลมคมกริบ เจาะลงไปสู่ที่ใจของเราเห็นที่ใจของเราเราจะรู้ได้ว่าใจของเราในขณะนี้เป็นยังไงอใจของเรามาคิดในทางไม่ดีมันก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ใจดํา่ำใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลแต่ใจที่ผ่องใสใจที่ผ่องใสใจดีใจใจมีความสุขอันนั้นมันอยู่ในใจมันอยู่ทั้งสองอย่างนั้น่ะ แต่อพยยาคตาเนี่ยจิตเป็นกลางๆเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยมันเกือบจะไม่มีโดยมากมีแต่มันเวียงไปข้างหนึ่งมันเวียงไปข้างหนึ่งลูกตุ่มมันอาจจะเวี่ยงไปทางเส้าหมองมันก็เวียงมาทางผองสเนีแต่ละวันแต่บางครั้งมันเวียงไปทางเส้าหมองเซยืดยาวเนีแต่บางครั้งก็เวียงมาทางผองสซะแต่โดยมากพวกผองสมีน้อย น้อยกว่าเศร้าหมองเพราะรวยมากเศร้าหมองก็คือตัวกิเลสราคะบังโทสะบังเขามาทางทางนั้นเพราะนั้นมันอยู่ในใจของเรานะถ้าจะว่าไปแล้วไม่อยู่ที่อื่นทำไมถ้าเราศึกษาถ้าเราปฏิบัติแล้วม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจเท่านั้นนะทีแรกก็ตีเมือง เข้าประตูนั้นเข้าประตูนี้เข้าดูทางตาตาเห็นรูปเป็นยังไงหูได้ยินเสียงเป็นยังไงจมูกตรงกลิ่นเป็นยังไงลิ้นริมรสเป็นยังไงสัมผัสร่างกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสในสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างไรและสิ่งสัมผัสเหล่านั้นมันวิ่งไปหาไหนมันวิ่งไปที่ไหนใครเป็นคนรู้ว่าตาเห็นรูป หูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งใครเป็นคนรับรู้ใครเป็นคนทราบใครเป็นคนต้นตอ ร, ร, รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นมันก็เข้ามาหาใจอีกอย่างเก่าใจของเราวิ่งออกไปทางตาวิ่งออกมาทางหูวิ่งออกมาทางจมูกวิ่งออกมาทางกาย วิ่งลอกอยู่ทั้งวันทั้งเวลาเป็นเสียตลับนะถ้าหลับก็ยังฝันละเมอไปอีกไงนะใจมันเป็นอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เนะี่ยเดวก็มองไปเห็นกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็หวั่นไหวกล้วยแขว่งเห็นรูปที่พอใจใจของเราคนนั่นแหะคิดไปในทางที่พอใจจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็สดชื่นขึ้นมาอ่นะ ถ้าว่าเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีจิตใจก็อาบเฉาจิตใจก็ซึมเศร้าจิตใจโกรโมโหฮะอย่างนี้เป็นตน้นนะมันออกมาจากไหนมันออกมาจากใจทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายใจทั้งนั้นเป็นผู้รับรู้รับเรื่องราวต่างๆมันส่งเข้ามาหาจิตตลาดทั้งหมดพยาจิตตลาดออกไป หาเรื่องหาราว ท, าทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกคือสรุปแล้วก็คือหน้าต่างของมันเน่คือหน้าต่างหน้าต่างของใจมันมีคนละบานละบานกันแต่ใช้ไปคนละอย่างกันหูจะไปดูเหมือนตาก็ไม่ได้ตาจะไปฟังเหมือนหูก็ไม่ได้จมูกจะไปลิ้มรสก็ไม่ได้เพราะมันใช้คนละอย่างกันคือสรุปแล้วก็คือ เป็นเครื่องใช้ของวิญญาณใจปญาจิตตราดดวงเนี่ยที่มันออกไปใช้ตามประตูหน้าต่างต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตดูที่พูดให้ฟังเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พูดได้กล่าวให้ฟังให้พวกเราสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นสรุปแล้วก็คื อ, คอกายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจคือนามธรรมน่ะอาศัยกายนี้อยู่ จนติดงอมบางั้นเถอะจนถอนตัวไม่ขึ้นมันติดอย่างหนักๆติดเอาอย่างมากๆติดกายอันนี้เพราะนั้นเวลาร่างกายจะแตกเนี่ยจึงโฟยไ ฟ, ยฟยแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนเลยมีความทุกข์เห็นได้ชัดเจนเลยออกมาทางตาทางหูทางจมูกนั่นแหะเห็นทางร่างกายนั่นนหะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่อยากตายเขาอยากจะอยู่ เขาทุรนทุาย เ, เพราะว่าเขาเป็นทุกข์นี่นะนะใจมันสั่งการออกมาผลในสุดร่างกายมันไปตามสภาพของมันใจสั่งไม่ได้นะบัดนี้ใจสั่งไม่ได้ก็อยู่เนี่งเลยท่านี้หมดสภาพผลในสุดก็ตายถอดออกจากร่างกายใจถอดออกจากกายถอนออกจากกายแปลว่ากายหมดสภาพแล้วขยับตัวไหนก็ไม่ออกแล้ว จะทำอะไรก็ไม่ได้ล่ะร่างกายหมดสภาพร่างกายตายแล้วหยุดแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วใจก็ไม่รู้จะมายึดอะไรจากร่างกายผล่นในสุดร่างกายก่อนเปื่อยเน่าสู่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนะั้นก็ออกจากร่างไปนั่นแหละท่นี่ไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆนี่แหละตัวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่กูบาลจานัน ท่านให้พวกเราท่านทางหลายดูดูใจตัวนั้นแหะตัวที่มันขยับตัวที่มันก็เยืน่นตัวที่มันออกจากร่างนี่แหละจากนั้นเมื่อมันไปแล้วมันก็ต้องไปเกิดในพบอื่นอีกต่อไปเพราะเหตุใดเพราะมันมีเชือ้อเชื้อกิเลสอยู่ในจิตใจของมันอะ่ะมันปีเชื้ออยู่ในนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ดูใจใจมันห่อหุ้มด้วยกิเลสกิเลสคืออะไรราคะห่อหุ้มใจ โทสะห่อหุ้มใจโมหะคือความหลงห่อหุ้มใจมันมีโมหะเป็นพื้นฐานเป็นผู้บัญชาใจเป็นผู้บริหารจิตใจดวงนั้นให้คิดไปตามแถวแนวของกิเลสเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหานสาวกท่านจึงใช้พระธรรมใช้อนัตารรนตาธรรมอนัตตาธรรมเท่านั้น ที่จะตีต่อยลงจุดนั้นตีกิเลสราคะโทสะโมหะตัวนั้นให้แตกกระจายออกจากจิตใจเมื่อมันออกไปจิตใจใจมันก็โดดเด่นดวงนั้นใจบริสุทธิ์ขึ้นมากิเลสหลุดออกไปหมดหมดเชือ้อเมื่อหมดเชื้อแล้วแต่นี่นะใจบริสุทธิ์แล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแลวบันจบไม่มีอะไร ที่จะมาปรับปรุงมาบัญชาใจตรงนั้นได้อีกแล้วเพราะนั้นใจดวงนั้นหมดเชื่อหมดกิเลสราคะโทสะโมห oh ะ จ, จิตใจบริสุทธิ์ไม่อยู่ที่ไหนนะสรุปแล้วก็อยู่ที่ใจเท่านั้นพวกเราที่พิจรารณากายนี่ก็คือเหมือนกับเราเดินทางเข้ามาเบิดประตูเข้ามาเพื่อจะตีเมืองท่านเองเอาธรรมะเข้ามาตีเมืองตีกิเลสว่างั้นเถะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย พยายามสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้มากอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะถึงมักถึงผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้การพูดวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดมากวันนี้แต่เห็นศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระหมู่พวกเพื่อน พร้อมหน้าพร้อมตากันก็ได้พูดเสียงยาวสักหน่อยนะตัวนี้ไปเอานั่งสมาธินาะทีนี่นะ